เอ่อสําหรับต่อไปนี้ จึงแปลเป็นใจ 1ววาาาา ง, 15 สร้างบารมี 3 พรหมวิหาร 4 ทรง 4 อคติ 4 5 4 ความหมายความว่าศีฆาบท เพราะว่าไอ้การแสดง อะไรทําไปแล้วพูดไปแล้วคิด มีสภาพการเรียบร้อยดีสภาการเรียบร้อยดีแต่ 15 บ. บ10 แล้วก็พอมีฐาน 4 และการละๆก็ต้องตัด นี่ก็ระงับนิพพานๆต้องตัดสังโยชน์ อีกครั้งอยู่ตันตวันก่อนวันก่อน 4 5 อันนี้เพื่อเป็นการป้องกันความสวยงามนี้เพื่อเป็นการป้องกันความสวย เออเวลานี้ขึ้นเพราะ เปรตภิสุทธ์รับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดี สำหรับสิกขาบทนี้ก็ต้องขอพูด <c oughs> นี่ขอท่านทั้งหลายช่วยกัน สมัย 10 พรรษาเพียงแค่ ผมบอกว่าหลวงพ่อครับไอ้กิจการตรงนี้เออว่าจริงๆของ ต้องทําขึ้นชื่อว่าไม่พลาดไม่มีนี้แล้วก็ๆ ว่าถ้า 7 วันถ้า 7 6ๆจะประมาท 7 เกิดท้าทายบอกว่าเวลา นี่ท่านมินโดภรัตวาช้าเหาะไป <c oughs> เวลานี้ก็ยังมีการขอร้องกันอยู่นี้เลิกเราบวชๆได้ก็ มีการทําอะไรไม่ผิดอุบาสิกา เห็นถ้าหรือว่าอะไรมันสมควรกว่าแนะหรือผมๆ <c oughs> นี่ก็มาคุยกันถึงสิกขาบทนี้ <c oughs> นึกว่ายินดีเงิน <c oughs> เดินไปตามทางหิว เพราะว่าๆมันศึกหลอลงๆที่เราจะสร้างขึ้น <c oughs> ถ้าไปโรงชะบาลก่อนจะไป เออนี่มันก็ต้องจ่ายเงินกัน <c oughs> เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วศีล 227 นี้ พระองค์สมเด็จพระยินสีเป็นสัพพัญญูรู้อดีต เวลามาทํางานร่วมกันแจ้งรายการยอด ถ้าไม่กินดีแล้วก็คน <c oughs> <c oughs> ท่านด้วยก็มีหลายองค์ท่านแสนดียอดไว้เลยว่าได้ องค์นี้ทำถูกแต่องค์ที่ <c oughs> เป็นใจผมผมว่าๆในดวงจิต เราพอใจถ้าไม่รับเราไม่ <c oughs> แต่ว่าท่านค่อยนับยอดเงินๆๆๆ เมื่อไวดลกันตอนนี้แล้วเรา เป็นอนุวาจีขาบทนี้สําหรับ ในเงินทอนนี่มัน ก่อนที่เขาจะให้เขาๆ คืน 1 ถ้ามีความจําเป็นในสมณบริโภคที่ ถ้าเขาให้มากเกินไปมัน ทำเงินของเจ้าบ้านให้ แสดงว่าอานิสงส์ของเชื้อบ้านที่ถวายเงิน <c oughs> แลปรนชนชาวไทยช่วยประโยชน์ นี่เราช่วยกันอย่างนี้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ ก็เลยทําให้เห็นกําลังใจวัชรีญาที่ท่าน ทำการซื้อด้วยรูปียะซื้อขายด้วยรูปียะคือขอให้เขาใช้ เราไปห้ามซื้อห้ามขายกูล 10 เราๆนี่ปัตตวัคที่ 3 ท่านบอกว่า สงฆ์ภิกษุมีบาดสมัยก่อนด้วยบาทดินยังไม่ สามภิกษุรับประเคนเพศัฏฐ์ 5 คือ 7 7 เขามาเมื่อไหร่เท่าไหร่แล้วก็จะมามันเป็นการสะสมมากเกินไปไหร่เรา <c oughs> ไท้เกรงว่าของจะเสียมาก ถ้าแสวงหาหรือทำโน้ให้ลำกำหนด <c oughs> เมสิกขาโกรธ ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่ ขอบรรดาภิกษุภิกษุณีศิกขมานาสมณะสมเนรีวะให้ สมบูรณ์สวัสดี